วันนี้ตรงกับวันเสราร์ที่30กันยายน2538เป็นการบรรยายพระธรรมเรื่องปริญญาปัญญาโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาจากคราวที่แล้วซึ่งยังใช้เอกสารหมายเลข6หรือชุดที่6ซึ่งจะต่อในประเด็นที่4ที่ขึ้นหัวข้อว่าโดยการละกิเลสและความหมดจด สำหรับเอกสารชุดที่7นั้นถือเป็นเอกสารช่วยหรือเอกสารเสริมซึ่งมีประเด็นอธิบายเพิ่มเติมที่เอกสารชุดที่6ได้กล่าวไว้แต่โดยหัวข้อหลักๆ ก, ก, ก็จะมีการอธิบายบ้างในบางจุดที่ควรจะอธิบายนะก็จะได้กล่าวถึงโดยลำดับสืบต่อ ต่อไปอสำหรับประเด็นที่สี่ของยาตาปริญญาในปัจจะยปริฆายานซึ่งเป็นวิปัสนาญาณที่สองนั้นมีรายละเอียดของประเด็นนี้ว่าหนึ่งละความเห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยคือ เห็นว่าอัตภาพนี้เกิดขึ้นลอยๆด้วยกำหนดรู้แน่ว่านามรูปนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุและในข้อนี้กล่าวถึงว่าพวกที่มีความเห็นผิดในเชิงของเหตุกับผลในครั้งพุทธกาลหรือแม้ในครั้งนี้ก็ตามจะมีอยู่สองพวกด้วยกันพวกหนึ่งเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เกิดขึ้นลอยๆหรือเกิดขึ้นโดยความบังเอิญที่เรียกว่าอาเหตุุกาทิฐิคือปฏิเสธเหตุโดยกล่าวว่าชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยอำนาจของความประจวบตามเหตุการณ์ตามจังหวะพอเหมาะพอดีไม่ได้เกี่ยวกับปัใจจัยในอดีตแต่ว่าปัใจจัยในอดีตที่ อเหตุกะกล่าวถึงนั้นน่ะมุ่งเอากรรมเป็นหลักกรรมที่ทำไว้แต่อดีตไม่ได้มีผลต่อความเป็นไปในชีวิตนี้หรืออีกพวกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพวกอ า, อาทิตจัสมุปปันนิกาทิฐิที่เห็นว่าชีวิตเกิดขึ้น ล, ยลอยๆพวกนี้นะ่ะเป็นพวกนักปฏิบัติทางฌานขั้นลึก แล้วก็ระลึกย้อนไปถึงอดีตของตนเองก็ได้พบว่าในอดีตนั้นตัวเองได้เกิดเป็นอจริงอย่างที่เราพอรู้บ้างว่าพวกอสศังยีพรมนั้นเป็นผู้ที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทํำกายกรรมด้วยไม่ได้ทําวิจีกรรมด้วยแม้แต่มโนกรรมคือความนึกคิดก็ไม่มีก็จึงเข้าใจว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากความไม่มีอะไรมาก่อนไม่ได้ทําอะไรไว้ ก็จึงเป็นอันว่าพวกนี้เป็นพวกปฏิเสธเหตุเห็นว่าชีวิตไม่มีเหตุแต่ผู้ที่ทําวิปัสสนาจนได้ยานที่สองแล้วก็เห็นเหตุเป็นอันมากซึ่งมีกรรมเป็นเหตุใหญ่เป็นเหตุสําคัญเหตุปัจัยอย่างอื่นทั้งเหตุใกล้เหตุไกลลึกระดับลึกซึ่งลงไปโดยลําดับนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยคนที่ได้ยานที่สองเห็นได้เราก็อาจจะสงสัยเราว่า ได้แค่ยานที่สองเนี่ยไปรู้อะไรมากมายใหญ่โตขนาดนั้นเชียวหรือคืออดีตชาติเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติเป็นอย่างไรเนี่ยไปรู้ขนาดนั้นเชียวหรืออก็ตอบก่อนว่าที่พูดอย่างนี้นะพูดในทางหลักใหญ่แต่เหตุผลอธิบายได้ซึ่งจะได้อธิบายในทางเหตุผลต่อแต่อยากจะจะให้ดูในทางหลักใหญ่ของท่าน ในเอกสารชุดที่7ประกอบนะผมกําลังดูว่าอยู่ตรงตรงส่วนใดที่ท่านกล่าวถึงในเหตุปัจจัยที่บุคคลได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตว่าเหตุปัจจัยที่ได้ทํามาแล้วแต่อดีตเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหตุปัจจัยที่ซ้ําๆำซักซั ก, กคือเห็นปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้ที่พระโยคาวจรบุคคลนั้นเห็นรูปเห็นนามและความเป็นเหตุเป็นใจของูองนามอย่างไรเนี่ยความรู้นั้นได้ข้ามเลยไปถึงชาติในอดีตด้วยว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้และอนาคตก็เป็นอย่างนี้อนาคตนั้นไม่ได้มีชาติเดียวอนาคตทุกชาติเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอดีตทุกชาติเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอันนี้เป็นบทสรุปใ น, ในทางหลักใหญ่นะฮะก็เลยตรงนี้เนี่ยมัน ครอบคุมอธิบายว่าชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัยและที่จริงนะ่ะไอ้ชีวิตที่อื่นจากเหตุปัจจัยมิได้มีออไอ้ตรงนี้นะ่ะเราก็พูดอย่างสมมติว่าชีวิตเป็นอันหนึ่งเหตุปัจจัยเป็นอันหนึ่งเท่านั้นเองในตอนท้ายถ้าพูดถึงยานที่สองโดยละเอียดเนี่ยท่านกล่าวลบล้างตรงนี้เป็นจุดสําคัญว่ามิแต่เหตุกับปัจจัยเท่านั้นเป็นวงรอบของเหตุของปัจจัยเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอันอื่นไม่ได้มีทำอื่นเป็นบุคคลที่สามนะฮะและเหตุปัจจัยนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไอหลักที่สําคัญว่าเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่ตัวใช่ตนในยานที่หนึ่งเนี่ยมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือแยกรูปแยกนามว่ามันมีแต่รูปแต่นามนนอันหนึ่งนี่เป็นบทอธิบายอันหนึ่งของความเป็นนัสตาและบทอธิบายอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าพยายามบอกว่าที่เป็นอนัตตาเพราะ เกิดจากเหตุจากปัจจัยนี่จับอนัตตลึกเข้าไปอีกแล้วก็พอไปถึงเตระนปริยาเนี่ยก็ได้ทรงอธิบายว่าเพราะเกิดจากเหตุจากปัจจัยจึงไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นเป็นอธิบายถึงความเป็นอนัตตลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนะนี่แปลว่าเราอยู่ในขั้นที่สองของบทอธิบายเรื่องอนัตตาตรงนี้นะเอาไว้ก่อนเพราะว่า เมื่อพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องสงสัยแล้วว่าถ้าอย่างนั้นคนละลึกชาติก่อนได้ด้วยอาภิญญาเนี่ยมันแตกต่างอะไรกับคนที่ได้วิปัสสนาญาณที่สองและคนได้วิปัสสนาญาณที่สองนะไปเห็นตัวเองว่าตายจากพบนู้นไปสู่มาสู่พบนี้ตายจากพบนี้จะไปสู่ภพน้นจากภพน้นจะไปสู่พบอื่นต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือไม่ตอบว่า มีเป็นอย่างนั้นและทั้งไม่เป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าโดยมากเป็นอย่างนั้นคืออย่างผู้ได้วิญญาหรือโดยมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องถามว่าจะเอาสมัยไหนละ่ะถ้าสมัยพระพุทธเจ้า ก, ก็โดยมากเป็นอย่างพวกที่ได้วิญญาด้วยถ้าเป็นสมัยนี้ก็โดยมากไม่ได้วิญญานะแต่ถึงไม่ได้ปิญญาก็สามารถที่จะรู้กระแสของเหตุของปัจจัย เท่าเท่ากันกับคนสมัยพุทธกาล ร, รู้ตรงนี้นะผมจะอธิบายระหว่างอภินายาญาณกับวิปัสนาญาณที่สองซึ่งมีลักษณะคล้ายกันเหลือเกินและไอความที่มันคล้ายกันเนี่ยครับชวนให้เกิดการตีความของความเป็นปัจจยะปลิกหาญาณไห้ไปเป็นสายอภินยา ซึ่งไม่ใช่วิปัสนาอภอิญญาที่คล้ายกับยานที่สองเนี่ยนะอภิญญามีหลายอย่างอภิญญาญาณอภิญญาทางลิฟก็มีอภิญญาทางรู้ก็มีและอภิญญาทางรู้ที่คล้ายกับยานสองนั้นมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติยานผมเขียนย่อไว้แล้วลึกชาติก่อนได้ จดเอาเป็นภาษาได้ก็อย่างนี้แล้วก็จุตูปบาสิยานเห็นจุติและอุบัติคือเห็นตายเกิดเห็นตายแล้วเกิดของสัตว์ว่าสัตว์นั้นสัตว์นี้ตายแล้วเกิดอย่างไรอย่างว่าถ้าเราจะไปนิ ม, มนต์พระไปดูใจคนใกล้ตายคนหนึ่ง บนเตียงน้อยแล้วก็ให้ท่านคอยกำหนดดูว่าคนที่อยู่บนเตียงนั้นตายเมื่อไหร่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยคนที่ได้วิยาก็สามารถที่จะกำหนดรู้เป็นจุดู ป, ปัตฐายานอย่างนี้หรือดูตัวเองว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่คนได้วิยาเขารู้ได้ไม่อย่างเชืมั้ยรู้ได้ถึงขนาดว่าจุ ติจิตจะดับลงเมื่อไหร่ในลักษณะเดินก็เรียกว่ากีดเส้นตายอย่างที่เคยเล่าเดินไปเหยียบเส้นตายปับก็ะตายเมื่อนั้นหรือบอกว่าเอาจะตายเมื่อไหร่พระรุ่นนี้ก็มีการรู้ได้อย่างนี้มากมายตายแล้วจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะรู้ได้ยถากรรมหมู่ว่าได้ทำกรรมอะไรไว้ไปเกิดที่นั่นมาเกิดที่นี่ เพราะได้ทำกรรมอะไรไว้กรรมอะไรนำส่งไปเกิดเพราะฉะนั้นการรู้กรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นการรู้เหตุหลักของชีวิตชาติหนึ่งกับชาติหนึ่งนะมันก็เท่ากับว่าอาจูตูกับบูเพเนี่ยตัวชีวิตนะ่ะมันเหมือนกับนามรูปเห็นรูปเห็นนามจับรูปจับนามได้ แยกรูปอย่างหนาได้ในเทียบกับยานที่หนึ่งการรู้ปัจจัยหลักคือกรรมว่านำสัตว์ไปเกิดในภพนั้นได้โดยทำอะไรไว้ก็เหมือนกับรู้เหตุปัจจัยที่สัตว์นั้นได้ทาไว้หรือว่าเรามาเกิดในชีวิตนี้เพราะได้ทำเวียนกรรมอะไรไว้อย่างไร ล, ลึกย้อนกลับไปอย่างที่พรานาวยาเยดในบุเพือดีว่าเหมือนกับ บุรุษผู้มีตาดีไปยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วมองอลงมายังสี่แยกทางสี่แพร่งเห็นคนเดินมาอ่าจากที่นน้นมาสู่ที่นี้จากที่นี้แล้วไปสู่ที่นน้นแล้วก็ไปเข้าบ้านนั้นอยู่ด้วยเวลานานเท่านี้ออกจากที่นั้นแล้วก็ไปสู่ที่อื่นต่อไปไปทําอะไรแล้วออกมาอย่างไรยังไงก็จะมองเห็นหมดนะอันนี้ก็เป็นเพียงพุทธพจน์ที่ทรงตราสเปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกับการ เห็นเหตุเห็นปัจจัยและผลของเหตุของปัจจัยคือชีวิตที่สืบเนื่องกันนี่ผมก็อธิบายถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันวิสาขาบูชาและได้ทรงได้ได้เข้าฌานด้วยอนาปานสติ พอได้เข้าฌานเสร็จแล้วก็ได้อดิฐานให้เกิดอวิญญาอวิญญาในยานแรกอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะในะกรุณายันเนีว่าผมเอาเรื่องเรื่องอะไรละ่ะมันไม่ควรค่าแก่การฟังของท่านมาพูดในฟังอะไรกันทบทวนนะเพราะมันมีไอ้แง่มุมอะไรที่จะต้องพูดอยู่ประถมายามได้ได้ยานอะไร มาที่มายามได้ยานอะไรสองยามแรกนะเป็นอภิญายามแรกได้บุเพนะฮะในความเป็นบุเพเนี่ยความจริงมันรวมอยู่ทั้งความเป็นกรรมด้วยกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตด้วยเป็นภาคอดีตจุตูนั้นเห็นจุติและอุบัตในภาคอนาคต กรรมนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเหตุแห่งการจุติและอุบัติของสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าทรงได้บุกเอนในยานต้นแล้วก็ได้จุตูในยานที่สองถามว่าเป็นวิปัสสนายานยังยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสุดยอดของอภิยญานะในทางรู้แต่ว่าเป็นประโยชน์แก่วิปัสนาตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดในลักษณะของการตีคู่ให้ดูว่า มันมาเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรนะผ ม, ผมทิ้งตรงนี้ไว้เดี๋ยวๆนะมาพูดถึงนี่ก่อนเทียบนี่เป็นจุดเทียบนะแต่ผมเขียนด้านวาความ <c oughs> รู้ผลดีผลเสียของอภินยาสามตัวนี้ด้านเดียวแล้วก็จะอธิบายในด้านวิปัสสนาว่าตรงกันข้าม อย่างไรอประการที่หนึ่งการรู้ของอภิญญาดังกล่าวนี้เอาเป็นว่าเอาง่ายๆซะว่าจูตัอบุเพกจูต่ตูแล้วกันเอาอย่างที่รู้เ จ, าจา้าจักสรู้ในคืนจักรสรู้เป็นความรู้ที่ยังผัวพันกับบัญญัติถูกมฮะยังผัวพันกับบัญญัติบัญญัตินั้นคืออะไรบัญญัตินั้นก็คือสัตว์นั้นและ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นอย่างเช่นว่าสัตว์นั้นเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องอย่างไรเทียบเหมือนกับเราลืมตาดูเราลืมตาดูเราดูสะกดรอยดูใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เห็นแต่คนคนนั้นคนเดียวใช่ไหม เราอาจจะพยายามจะจับรู้ว่าคนนั้นเขาไปไหนเพื่ออะไรทําไมถึงไปที่นั่นดูเหตุเหตุการไปด้วยแต่ก็จะมีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการรู้หัวพยานนั้นยังผัวพันกับบัญญัติและบัญญัติตัวนี้ก็ยกเอาสัตตบัญญัติเนี่ยเป็นหลักคือความสําคัญว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหลักเป็นจุดสะกดรอยตามทีนี้เราก็ลองมานึกว่าเอถ้าสมมุติว่า เกิดไปดูแลเห็นเป็นนามรูปนี่ตอบไม่ถูกเลยนะตอบโยมไม่ถูกว่าหลวงพ่อเออโยโอแม่ของดีชันพ่อของกระผมตายแล้วไปไหนเขาบอกพ่อพ่อโยมไม่มีเทราะอะไรมันมีแต่นามรูยมองไม่เห็นนามรูปเลยก็เลยไม่รู้จะพูดด่ายังไง เ, เพราะฉะนั้นจึงไม่ละสัตตบัญญัตินี่ข้อนะฮะไม่ละสัตตบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่ สวนทางกับวิปัสนาไปไม่ได้กับวิปัสนาพูดอย่างนี้เะเดี๋ยวก็จะไปกระเทือนเมื่อกี้ว่าเอ๊ะและ้วทำไมถึงไปได้ทีเอาไว้พูดต่อไปเนี่ยนะท <c oughs> ี่ว่านี้ก็ต้องพูดสมัว่าไม่ใช่วิปัสนาเพราะวิปัสนาไม่เอาสัตว์พยายามจะหนีสัตว์ทิ้งสัตว์แต่แต่อวิยานี้เอาสัตว์ไว้ทิ้งสัตว์ไม่ได้ <c oughs> ตอไปประการที่สาม เพราะไม่ทิ้งสัตว์นี่แหละครับจึงเป็นที่อาศัยของทิฏฐิชั้นกลางจำทิฏฐิชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงได้ใช่ไหมครับที่พูดมาแล้ววิปัสสนานั้นอาศัยทิฏฐิชั้นต่ำเป็นอาธิพรมจรัฐแล้วก็เข้ามาต่อสู้ห้ามหันกับทิฏฐิชั้นกลางซึ่งเป็นปฏิปักษ์ทิฏฐิชั้นกลางก็เกี่ยวกับเรื่องสัตตสัญญา เพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเป็นอันมากในพระพุทธศาสนาที่เคยกล่าวว่าบางพวกนั้นเป็นนักทฤษฎีนักคิดบางพวกนั้นเป็นนักปฏิบัติแต่ปฏิบัติในสายสมถะจนกระทั่งตัวเองได้ฌานอภิญญา <c oughs> ได้ฌานก็เห็นผิดแล้วแล้วได้อภิญญา เ, าเห็นว่ามีตัวตนคนสัตว์ ยกตัวยอย่างเช่นที่ว่าเมื่อกี้ว่าพวกหนึ่งเป็นสัสตตตถิธิร <c oughs> ะลึกชาติก่อนได้ก็เห็นว่าตัวเองนั้นเคยเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นหนึ่งแล้วก็มีหัวหน้าพรหมตัวเองตายมาก่อนบริวารเราอื่นก็ตายไปก่อนก็แยกย้ายไปเกิดตามที่ตามทางตามยถากรรมของตนแต่ว่ามหาพรหมนั้นยังอยูอ่ก็เลยสำคัญเอาว่าตนเองนั้นเป็นอัตตา ย, ย่อย มหาพรมเป็นอัตตาใหญ่นี่นี่เห็นไหครับมิจฉาทิฏฐิตามเห็นผิดกับความรู้ระดับอย่างนี้เลยมาบัญญัติเรื่องอัตตาเป็นต่างๆกันด้วยเหตุผลต่างๆกันด้วยข้ออ้างที่มาของความรู้ความสมควรต่างๆกันด้วยเหตุนี้นี่เป็น ข้อต่างข้อที่สามของอภิญญาเพราะนั้นคนที่เล่นอภิญญาแล้วไม่ภาษาเรื่องทฤษฎีวิปัสนาเลยเนี่ยอธิบายการอย่างรู้ซึ่งบางทีตีค่าเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นมรรคเป็นผลอย่างเอาตัวเอาตนเอาอัตสาใส่ลงไปเต็มเหนียวเลยเพราะเหตุนี้ถึงจะบางทีสมมติว่ามานั่ง สนทนาการนั ก, กริยัศาตรฝ่ายปฏิบัติก็จะอ้างว่าคุณได้แต่อ่านคุณไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าคุณแปลความในพระไตรปิฎกผิดอะไรก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนะก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอันว่าทิศทีขั้นกลางตามเกิดกับการรู้อย่างนั้นต่อไปอย่างที่สี่ไม่ละ ไอ้ที่ว่าไม่ละเอียดครบถ้วนเนี่ยหมายถึงการอย่างรู้นั้นไม่ละเอียดครบถ้วนไอ้ตรงนี้แหละครับจึงทําให้ไอ้คาว่าละเอียดครบถ้วนเนี่ยเราคงพูดแล้วก่อนว่าถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยเขารู้เหตุปัจจัยทั้งตัวหลักตัวรองอย่างที่ว่าไว้ในเอกสารชุดที่หกตอนตอน้ตนๆแล้วก็ไอ้เหตุปัจจัยที่มันทับซ้อนอย่างที่ปรากฏในเอกสารชุดที่แจกใหม่วันนี้ คัดข้อความในหลักฐานมาว่าไอความเป็นเหตุเป็นผลกันระดับหนึ่งนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลกันระดับหนึ่งระหว่างเช่นระหว่างผัสสะกับเวทนานะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวทนาเป็นผลแต่ทั้งผัสสะทั้งเวทนาต่างก็มีปัจจัยและปัจจัยของปัจจัยก็มีนะแล้วก็ไอความหักเหของเหตุปัจจัยเนี่ยมันมี มันมีว่าทําไมไอ้ธรรมดาเนี่ยผลอย่างนี้มันควรจะทําให้เกิดผลอย่างนี้แล้วทําไมมันถึงเกิดการหักเหท่า น, นั้นท่านนี้นะเพราะอะไรเพราะมีกระแสของปัจจัยแทรกซ้อนเอาตรงนี้นะท่านได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดไว้อันหนึ่งว่าบางคนเนี่ยระลึกชาติก่อนได้ได้ยถากรรมหมู่ว่าสัตว์นี้ตายแล้วเกิดเกิดด้วยกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เนื่องจากว่ากรรมกับการเสวยผลกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้คนหนึ่งทำกรรมไว้ในชาติที่สองแล้วจะต้องมาได้เสวยกรรมในชาติถัดมามันไม่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้นะระลึกบุเพไปเห็นโอเรานี่เคยชาตินั้นน่ะทำบาปไปเยอะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ชาติโน้ตเราเคยทำบุญไว้เยอ ะ, อะบางคนอาจจะไประลึกเห็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็ระลึกกลับมาว่าเอ๊ะทาไมชาตินี้เราถึงได้ดีอันนี้มันเทียบเหมือนกับที่เราพูดพูกันอย่างตาเห็นเดียวนี้ว่าทำไมคนบางคนเนี่ยทำชั่วจึงได้ดีเพราะอะไรแล้วบางคนเาก็เชื่อว่าเพราะไอ้เรื่องทำดีทำชั่วไม่มีความหมายต่อความได้ดีได้ชั่ว เพราะอะไรรูม้มะเพราะเขาต่อเหตุต่อผลที่มันมีการลักลั่นกันผิดคือดูเหตุแล้วสะกดรอยไปหาผลเอ๊ะมันไม่ไปเป้ากล้องกันก็เลยเข้าใจผิดนี่คือลักษณะของความไม่ละเอียดถี่ถ้วนข อ, ของบุคคลที่เห็นอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิก็เลยเกิดแก่พวกนี้ดังที่ท่านเล่าว่าะนกัมพียว่าจึงกล่าวว่า ตายเกิดจริงแต่ว่ากรรมเนี่ยมันมันไม่ยุติธรรมเราจะได้ดีได้ชั่วนั้นไม่ใช่เพราะกรรมเป็นไปตามความบังเอิญอย่างอื่นมิจฉาทิฏฐิก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะถูกบางส่วนผิดบางส่วนอย่างนี้มาดูข้อสุดท้ายก่อนข้อหาคือทิฏฐุชุกกรรมถามว่าพวกระลึกชาติก่อนได้ พวกที่เห็นตายเกิดพวกที่รู้เรื่องกรรมเนี่ยได้ทิฏฐิไหมได้ธรามะทิฏฐิไหมมิจฉาทิฏฐิสามอย่างว่านัตติกะทิฏฐิว่าอเหตุุกะทิฏฐิว่าอกริยทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิขั้รุนแรงเนี่ยนะคนที่ได้อภิญญาแล้วพ้นจากมิจฉาทิฏฐิพวกนี้โอกาสที่จะพ้นเนี่ยมันมีไอ้ทิฏฐิหยาบๆอย่างนี้นะ แต่ว่าการพ้นจากมิจฉาทิฏฐิหรือการได้ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมันได้ชั้นต้นไอ้ต้นตรงนี้ผมหมายความว่าทิฏฐุชุกรรมนั้นยังมีขั้นต้นขั้นกลางขั้ น, นละเอียดแตกต่างกันอีกครับหมายความว่าเราฟังธรรมะหาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราได้สมาธิิไหมได้ใช่ไหม เราเชื่อกรรมเนี่ยได้สมาทิฐิเราเชื่อเรื่องตายเรื่องเกิดเราไปศึกษ า, าอ่านหนังสือนังหาเห็นชีวิตคนตามดูชีวิตตัวถึงไม่เคยทําวิปัสสนาถึงไม่เคยทําฌานปัญญาได้เลยก็ตามได้ทิฏฐูชุกรรมแต่นับเป็นชั้นต้นมีกําลังน้อยเป็นไปตามระดับของเหตุเพราะเหตุที่เราได้นั่นเราได้จากประสบการณ์และการฟังการคิด อีกพวกหนึ่งเป็นพวกได้อย่างชั้นกลางคือพวกที่ได้พิญญาเนี่ยแหละครับได้อย่างชั้นกลางหมายความว่าเขาไม่ได้สักแต่ว่าแค่ฟังแต่เขาเห็นตามต้องเรียกว่าตามยานกาจริงๆเห็นได้ยานจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างพวกนั่งทางในอะไรแต่ะไรที่เรารู้ๆกันอยู่ในปรงพยาบันเนี่ย ว่านี่ไปทำอะไรว่ายังไงแล้วก็พยายามที่จะชี้วิธีการแก้ในทางกรรมให้เราแก้ไขปัญหาชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างนี้นะ่ะเป็นเรื่องชั้นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นพวกอภิญญาเนี่ยได้ที่ตีชั้นกลางแต่คนทำวิปัสสนานั้นถึงว่าจะไม่ได้ละลึกชาติก่อนได้เป็นตน้นแต่ความอย่างรู้ของเขาเนี่ยเป็นชั้นสูง ถือเป็นชั้นสูงเพราะเห็นหลายปัจจัยเห็นละเอียดแล้วก็เห็นอนุมาณเลยไปทุกภพทุกชาติเหมือนกันหมดทานองว่าตาของเราเห็นรูปได้ด้วยเหตุสีอย่างในเวลานี้วันนี้ชันใดพรุ่งนี้มรืมนนี้ตาของเราก็จะเห็นรูปได้ด้วยเหตุ4ีอย่างนี้เทียบอย่างที่เราเข้าใจได้ให้ฟังแม้ตาคนอื่นก็เห็นได้ด้วยเหตุปัจจัยสีอย่าง และชีวิตเราจะเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเดรัจฉานในชาติใดพบใดก็ตามก็เห็นรูปได้ด้วยเหตุปัจจัยสี่อย่างอันนี้เขาเรียกว่ารู้ยังจับหลักได้จับหลักโดยละเอียดได้แล้วหลักอันนี้ก็อธิบายใช้ได้อย่างรู้อนุมานรู้ไปสู่พบชาติอื่นๆได้ทั้งหมดโดยไม่มี ข้อแม้ไม่มีเงินนงำเหมือนอย่างตาเห็นนะเราเทียบเหมือนกับคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอ่านอะไรเห็นอะไรด้วยแค่ตาเห็นเนี่ยข้อแม้มันเยอะถูกไหมฮะอย่างประสบการณ์ชาวบ้านประเภทแม่ค้าใช้วิธีนับเลขโดย น, นิ้วมือนิ้วเท้ามันก็ได้ในข้อจํากัดอย่างนั้นแต่คนที่เขารู้คณิตศาสตร์เขาจับหลักเรื่องการนับได้ ว่าทำยังไงถึงจะนับเร็วทำยังไงต้องคำนวณยังไงนะทั้งความสูงความต่ำความกว้างเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะนับคำนวณขนาดปริมาณของสุขสิ่งทุกอย่างได้โดยคล่องตัวซึ่งผิดกับแม่ค้าถ้านิ้วแกกลืมเอานิ้วไปหรือนิ้วแกด้วนแลแกก็ไม่รู้จะนับไงนะ แลเราดูคนก็เหมือนกันเนี่ยดูคนถ้าบางคนเนะี่ยดูแล้วความรู้มันแค่อยู่กับตาเนี่ยก็คือได้ข้อมูลเท่าที่ตาเห็นอันนี้เขาเรียกว่ายังจับหลักไม่ได้ก็มองทุกสิ่งทุกอย่างไปตามที่ตาเห็นแต่คนทำวิปัสสนาเนี่ยเห็นอย่างจับหลักได้ที่เป็นหลักรวมทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มีคนพยานจะบอกว่าพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยที่ว่าท่านตัดสัู้้เนี่ยท่านคงจะรู้หลัก จับหลักเพราะว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันจะมีหลักกลางของมันอยู่นะะไอหลักเนี่ยมันมีอยู่ไม่เท่าไรหร่หรอกถ้าคนถึงหลักแล้วเป็นนั้นว่าถึงรายละเอียดทั้งหมดได้บทวิจารณ์นั่นจะเป็นจริงอย่างไรนายกไว้แต่ว่าผมก็พยายามจะพูดเทียบให้ฟังว่าคนทำวิปัสสนาเนี่ยจับหลักได้เพราะจับหลักกับตัวเองได้เนี่ยมันถึงอย่างอื่นหมดเลยโดยที่ไม่จาเป็นต้องตามไปดูด้วยตาอีก ก็สามารถเข้าใจได้อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องชั้นสูงเป็นเรื่องละเอียดทีนี้เรามามองเทียบในด้านวิปัสสนานิดหนึ่งว่ า, านามปัจจยาปริกหร ย, ยาณที่แยกรูปแยกนามเนี่ยในกรณีของคนที่ไม่ได้อภิญญาแต่สามารถที่จะอย่างรู้ความเป็นไปของรูปของนามได้ เราทำความเข้าใจย้ำให้ชัดอีกทีนึงว่าถามว่าพวกนี้ระลึกชาติได้เห็นเป็นตุเป็นตะหรือตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้เห็นเป็นตุเป็นตา mm. เราเว้นกระนิองคนที่ได้อาจูตูด้วยนะมันมีคนได้ยานสองมีสองประเภทพวกหนึ่งได้วิญญาเป็นฐานได้พิญญาด้วยอีกพวกหนึ่งไม่ได้พิญญานะฮะพวกไม่ได้ปิญญาเนี่ย ผมอยากจะเทียบว่ามันเหมือนกับโหลาศาสตร์ตาบอดมนต้องเป็นโหลาศาสตร์ที่เก่งจริงๆนะฮะโหลาศาสตร์ตาบอดหรือพระที่ท่านเก่งในทางในในทางสมาธิสมาบัติโดยที่ไม่ได้ออกไปดูโลกเขาเลยอยู่แต่ในกุฏิแต่ไปถามอะไรรู้หมดถึงขนาดว่าจะปฏิวัติเมื่อไหร่ก็รู้ บางทีไอ้คนถามลําคนพวกอยู่ในกลุ่มปฏิวัติตัเองไปถามท่านตัวเองไม่รู้เราจะปฏิวัติแต่พระท่านรู้แล้วใช่ไหมเหมือนอย่างที่ใ น, ในหลวงตรัสว่าเอออยู่แต่ในวังแล้วรู้ได้ไงว่าถนนสายไหนไปน้าสายไหนเป็นยังไงยังไงใช่ไหมอา่างจะอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการอ้างว่าท่านรู้ด้วยเออยุคของโพรคมนาคมนะแต่อันนั้นก็คือรู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละเทียบไม่เห็นว่า แล้วทำไมบางคนน่อยู่กับคลองเองไม่รู้น้ำท่วมไม่รู้จะแก้ไขยังไงใช่ไหมแล้ ว, ลวผู้ที่ไม่ได้อยู่กับคลองไม่ได้อยู่กับถนนไปเมื่อออกเมื่อไหร่ก็ถนนว่างเหมือนนั้นแล้วทำไมถึงรู้นู่นรู้นี่สองคนเนี่ยความรู้สองคนเนี่ยใครช่วยสังคมได้ใครรู้จริงแสดงว่าผู้ที่รู้ในลักษณะอย่างนี้นะรู้ในลักษณะจับหลักได้ จึงสามารถที่จะอธิบายและแก้ไขชี้เหตุชี้อะไรทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างได้อย่างละเอียดละออวันนี้นคนที่ได้ยานที่สองเนี่ยจึงรู้อย่างนี้เป็นการรู้ลึกซึ่งไม่พัวพันกับสัตว์ไอลักษณะของการตั้งสัตว์ขึ้นมาเป็นหน่วยรวมเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการขวางรายละเอียดอย่างหนึง่งหมายความว่า ถ้าเรามองอะไรอย่างเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยมองส่วนที่เป็นผลเนี่ยนะฮะอย่างเป็นก้อนเป็นแท่งเวลาอธิบายเหตุแล้วมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งเหมือนกันไม่ทราบความเข้าใจไหมอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะะคนคนหนึ่งเนี่ยเรามองอย่างเป็นก้อนท่งว่านี่คือผลซึ่งความจริงแล้วมันหลายเหตุหลายผลรวมอยู่ในความเป็นคนถูกไม่ถูก หลายเหตุหลายผลอยู่รวมอยู่ในความเป็นคนนี่ถ้าเรามองเป็นก้อนเป็นแท่งว่านี่คนคนเดียวมันก็จะต้องสาหาเหตุอย่างหยาบนั้นง่ายๆก็คือว่าเรามองอะไรอย่างหยาบผลหยาบเหตุก็หยาบผลเป็นตัวเป็นตนเหตุก็เป็นตัวเป็นตนไปด้วยจะเป็นอย่างนั้น เป็นลักษณะของการมองอย่างไม่กระจายแต่วิปัสนาเนี่ยมองอย่างกระจายซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความสับสนแต่เพราะความที่การมองเห็นอย่างกระจายแล้วไม่สับสนนี่แหละจึงเป็นศักยภาพของญาณที่ต้องนับว่าพิเศษเพราะนั้นญาณสองจึงไม่ผูกพันกับสัตว์แล้วก็ละสัตตาสัญญาด้วย เพราะไอสัตย์สัญญานั้นเป็นตัวขวางที่ว่ามาขวางคือมองอย่างเป็นส่วนรว ม, มอันหนึ่งและไอความคิดว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์เที่ยว อ, อัตตาในความรู้สึกเนี่ยก็ขวางด้วยแต่ถ้าถอนอัตตาในความรู้สึกออกแล้วก็มองอารมณ์นั้นอย่างแยกได้ด้วยเนี่ยมันก็เกิดความสอดคล้องเกิดความเหมาะเจาะในการกําหนดรู้ตรงนี้นะ่ะเป็นหลักสําคัญทางาศาสนาทั้งในด้านทฤษฎีและด้าน ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองจึงมักจะตรัสว่าทรงเป็นวิพัตถวาทีเวลาสอนเรื่องอะไรๆมักจะแยกแยกแยะเป็ น, นส่วนๆในสิ่งที่นักปราเวลาเ็าเถียงเนี่ยเขาตั้งเนี่มาเป็นหน่วยเดียวแล้วก็เถียงหาเหตุกันเป็นหน่วยๆแต่มาถึงพระพุทธเจ้าแล้วท่านแยกส่วนของเรื่องนั้น แล้วก็อธิบายไปหาเหตุเป็นส่วนๆวนถูกไหมเพราะถ้าแยกส่วนแล้วเนี่ยมันก็เห็นเหตุเป็นส่วนๆออกไปด้วยยิ่งเราแตกรายละเอียดได้มากส่วนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะจับเหตุได้ละเอียดเท่านั้นแล้วก็ไอ้หน่วยถ้าเรามองในลักษณะเทียบการอย่างที่ว่ามาว่าเหตุปัจจุบันเหตุอดีตก็มี แล้วก็ผลปัจจุบันก็มีผลอนาคตก็มีก็จะมองในลักษณะข้ามการไปด้วยลักษณะยานสองเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ถ้าถามว่าอย่างนั้นไม่ยุ่งตายเลยไม่สับสนแย่เลยคนที่พูดอย่างนี้นะ่ะเอาตัวเองเป็นประมาณดูถูกคนที่ก็ททำได้ดูถูกปูปัญญาที่ควรทำได้และมีผู้ทำได้ตามมาตรฐานของยาน ใช่ไหมเหมือนอย่างบางท่านอาจจะได้รับการทั้งตัวโวยธรรมะอย่าไปอ่านเยอะเลยสับสนอย่าไปฟังเยอะเลยสับผมยังถูกเตือนเลย ว, ว่าทำไมจะต้องไปปรึกษาหลายที่สับสนผมก็ถามว่าไอ้สับสับสนหรือไม่สับสนมันอยู่ที่ศักยภาพของเราแต่ว่าโดยหลักเนี่ยมันไม่ใช่เอาความรู้สึกว่าสับสนมาอ้างเอาสมรรถภาพคนบางคนมาอ้าง ทำลายหลักใช่ไหมหลักยังไงต้องวางไว้เราต้องดึงตัวเองขึ้นไปหาความสอดคล้องกับหลักนะั้นในทางศักยภาพของเราเพราะนั้นนะเอาข้อนี้มาอ้างหัว่อลมล้างหลักไม่ได้หรือว่าเอาศักยภาพของตัวเองเนี่ยไปอ้างเพื่อให้คนอื่นทําแค่ตัวก็ไม่ได้อีกเหมือนสมมุติว่าเรื่องนี้นะ่ะทําไม่ใช่ไม่ใช่ท่านมาฟังต้องเป็นเรื่องสับสนอย่างยิ่งใช่ไหมฮะ สับสนหน้าเบื่ออย่างยิ่งแต่ว่าทำไมบางคนฟังได้ทำไมไม่สับสนนะนี่ผมก็ขออนุญาตจะเรียกว่ายอดเดี๋ยวจะผิดไปบำรุงกำลังใจไว้หน่อยเพื่อจะแพ้ความสับสนเก้าบางคนเพราะนั้นเมื่อมันไม่ไปพัวพันกษัตริย์แล้วก็มีหน้ำซ้ำเนี่ยยัง ไม่เป็นที่อาศัยของทิฏฐิที่เกี่ยวกับศัตร์มันของแน่นะมนเมื่อมอนทำลายมันก็ไม่เป็นที่อาศัยเพราะถือว่าเป็นปฏิปักโดยตรงเนี่ยเป็นงานโดยตรงของผู้ทาวิปัสนาจะต้องละจึงทำให้ได้รายละเอียดข้อนี้นะเรียกว่าเป็นอาคาติหรือไม่ใช่อาคาติในขั้นของพอวนันคนที่มีอาคาติเนี่ยเราดูง่ายๆวะ่ะ อคติโดยจงใจไม่จงใจถ้าโดยจงใจก็อคติเพราะรักเพราะชังโดยไม่จงใจก็เพราะโมหะอย่างนี้คือไม่จงใจคืออคติอย่างโง่ๆอย่างรู้เท่าไม่ถึงการบางทีตัวเองก็ค้นไม่พบว่าตัวเองอคติทำไมคนถึงอคติอคติเพราะปลาโล ว, ว่านี่ก็นามรูปนู่นก็นามรูปคนผู้ตัดสินพิจารณาก็นามรูป เกิดจากเหตุจากปัจจัยเป็นอันมากหรือหรือเพราะคิดว่านั่นคนที่เราลักนั่นคนที่เราจังคนนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้คนนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างนั้นความรู้สึกมันก็ขวางแล้วเมื่อความรู้สึกมันแคบอารมณ์ก็แคบใช่ไหมแล้วก็เลยทําให้วิเคราะห์เหตุพิเคราะห์ะผลการตัดสินนั้นก็เลยแคบมันไม่ใช่แคบแคบถูกนะแคบผิด เลยเป็นที่อาศัยของมิจของความไม่ถูกต้องด้วยลักษณะอย่างนี้อันเนี้ที่เราจะได้ยินคำพูดกันในวงการของคนครึ่งโลกครึ่งธรรมว่าอย่าเอาอัตราเข้าไปคิดํานองนี้นะเป็นคำที่คงจะรับเับตรงนี้พอดีอย่าคิดด้วยอัตราอย่าเอาตัวกูของกูไปยุ่ง ถ้าเอาตัวกลวของกูไปยุ่งแล้วมันก็ยุ่งไม่เลิกแต่ถ้าคนยอมยุ่งในทางหาข้อมูลมาก่อนแล้วมันไม่ยุ่งไอคนกลัวยุ่งจริงมักจะยุ่งยุ่งแล้วตัวเองไม่รู้ว่ายุ่งก็มีนะแต่พูดว่าเอ้ยเราไม่ต้องไปฟังมากเชื่ออะไรก็เชื่อไปเลยเงี้ยมันก็ไม่ยุ่งดีในขั้นเหตุมันไม่ยุ่งในขั้นขั้นหาเครื่องมือแต่ว่ามันยุ่งในขั้นต่อไป แต่ว่าถ้าคนยุ่งอย่างนี้จะได้ชีวิตไม่ยุ่งนี่เป็นข้อเทียบเทียบในกรณีที่ว่าคนได้อภินยามีบุเพนิวาสารติดเป็นล้นลวน้ลวนกับได้ปัจจยาปริายาญาลล้วนคราวนี้ถ้าเป็นกรณีของคนที่ได้อภิญญาเป็นบาตแล้วทำมาถึงญาณที่สองเนี่ย ถามว่าขัดขวางหรือเกื้อกูลเพราะเหตุใดกรณีอย่างพระบุตธเจ้าเป็นตน้นหรือพระเถรีพระเถระเป็ น, นันมากสมัยพระพุทธเจ้าถามว่าการได้อภิญญานั้นขวางวิปัสนาหรืออุดหนุนแก่วิปัสนาทํานองเดียวกับคนได้ฌานเนี่ยฌานขวางวิปัสนาหรือฌานหนุนวิปัสนา คนรักษาศีลมาได้เยอะได้ดีขวางวิปัสนาหรืออุดหนุนวิปัสนาคนเรียนปริยัติมากก็เช่นเดียวกันขวางวิปัสนาหรืออุดหนุนวิปัสนาเ อ, อถามไปถามมายุ่งอีกแล้วเนี่ย<อ>ก็ที่ถามเนี่ยก็เพื่อชำระความยุ่งนะเราจะม้วนผมถ้าจะเอาง่งายๆก็ไม่ทันต้องสางก็ม้วนพลิบเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเรียบร้อยอย่างยุ่งยุ่ง แต่ถ้าเราสางแล้วค่อยๆม้วนค่อยๆมันก็เรียบร้อยอย่างไม่ยุ่งนะมันสวยแบบไม่ยุ่งเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราก็พูดแล้วว่าถ้าคนผมย้ำบ่อยๆว่าคนใช้เป็นรู้จริงๆและใช้เอามาใช้ให้เป็นให้เหมาะเป็นประโยชน์แต่ที่มันเป็นโทษเนี่ยเพราะมันใช้ไม่เป็นใช่ไหมใช้ผิดฉันเลยว่าศีลเนี่ยรักษาดีแล้วเนี่ย มันเป็นอาทิศีลถ้าคนตั้งเจตนาว่าศีลคืออะไรรักษาไปเพื่อเป็นอาธิโรมอาจา ร, รย์อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นวางเจตนาเป็นสแสวงหาประโยชน์เป็นแต่คนที่สําคัญว่าศีลที่รักษาบริสุทธิ์แล้วเป็นสาระของโรมอาจา ร, รย์ก็หยุดอยู่แค่นั้นพออยู่แค่นั้นนิพพานอยู่แค่นั้นมรรคผลเอาแค่นั้นใช้เป็นนะใช้ไม่เป็นแต่อย่างที่ผมเคยบอกว่าสมัยก่อนนะมี นักวิชาการคนหนึ่งมีชื่อก็ชอบพอกับผมดีตั้งยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็แนะนำผมว่าในเวลาสอนธรรมะเนี่ยวิธีที่จะทำให้คนสนใจมากแล้วก็วิธีที่จะทำให้คนอ่ามั่นคงภูมิใจมีความสุขต้องให้ เป็นอารยะง่ายๆพูดอย่างนั้นมันยากผมก็ไม่อยากผมก็หมดกาลังใจท้อแท้อะไรกันจะเป็นอารหันต์ทั้งทีเนะสร้างปรามีกันฟังแนละ้วผมก็พอแล้วก็เอาอยัางงี้ไม่ได้หรือให้สอนว่าใครรักษาศีลห้าได้ี่ให้เป็นโสดาบันไปเลยง่ายดีทีนี้ถ้าเกิดเราไปให้ให้เนี่นะใครรักษาศีลห้าเอารักษาศีลห้าได้ พันศานี่ยเอาจุ ล, ลโสดาบันไปก่อนได้ 3, สามพันษาเอาโสดาบันจริงไปเลยแล้วผมก็ไปเที่ยวแจกประกาศเียวบัตรเที่ยวรับรองใครตกระอย่างนี้มันง่ายทีแรกแต่ว่ามันยุ่งทีหลังใช่ไหมมันสารพัดเลยคนรับไปแล้วก็ยุ่งเอ๊ะทําไมเป็นโสดาบันแล้วะเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปได้อีกมันก็เลยเพลอยยุ่งกันไปใหญ่โตเลยแล้วยังไปยุ่งกับคนที่เขารู้จริงๆริง ก, ก, ก็เดือดร้อนกันใหญ่ อย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นปริยัติก็ดีศีลก็ดีฌานก็ดีคนได้ฌานแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็ได้ใช่ไหมละ่ะได้พิญญาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็เยอะใช่ไหมละ่ะไม่เสียดายเลยว่าของดีๆอย่างนั้นทำไมไม่เอามาต่อเราก็เสียดายแต่คนที่เขาเป็นขบอกฉันไม่เสียดายเพราะว่าฉันบรรลุฉันอยู่แล้วก็เกิดกิเลสไว้สารพัดอย่าง ความดีที่ตัวได้นี่ฉันใดก็จันนั้นทั้งหมดเหล่านี้ถ้าบุคคลเอามาเป็นเครื่องมือต่อวิปัสสนาเกื้อกูลอย่างยิ่งเลยครับยิ่งได้ครบทั่วเท่าไหร่ยิ่งเกื้อกูลมากตอนนั้นขอให้มีตีค่ามันให้ถูกขั้นแล้วใช้ให้เป็นคืออย่างไรอ่าผมก็จะเล่าเรื่องหนึ่ง ให้ฟังผมก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องจะมานั่งฟังผมอยู่หรือเปล่าเพราะเวลาเขาถามผมมไม่เห็นหน้าครับเรื่องนี้นะมีคนถามผมมาสามคนแล้วและหลายสุดท้ายนี่ก็เป็นอีกคนท่านเป็นคนไทยเชื้อจีนทำธุรกิจแล้วท่านก็มีปัญหาค้างใจอยู่นานพยายามจ้องจะถามมันเป็นปีแล้วไม่ได้ถามสักทีนะ มันนั่นก็เลยถามเขาบอกท่านบอกว่าท่านได้ผ่านการเรียนไอวิชาเดินลมปรานจากเมืองจีนมาเหมือนกับคนแรกถามผมเป็นผู้ชายแล้วคนที่สองผมนึกหน้าไม่ออกก็เป็นผู้ชายผู้หญิงไม่รู้นะแต่คนนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนที่สามคราวนี้ปัญหาก็คือว่าท่านได้มาปฏิบัติที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติมาสองผล และข้างเขาค้างใจสงสัยไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะนับถือว่านี่มันเป็นเป็นของพุทธหรือเป็นของจีนเขาแน่และทำอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับที่เขาได้มาก่อนนี่พระถามอย่างนี้เพราะมันไอ้จริงๆนะมันไม่ต่างกันเลยพอนั่งหลับตาปั๊บมันมาแลวไอ้ไอ้ลมปราณที่เขาเคยทำได้ซาลาพัดเลยนะะ มาทุกรูปแบบไอ้รูปแบบที่เขาว่านโอ้ฟังแล้ววิรก์กเกอรนะเขาก็ถามผมว่าให้ทำอย่างวิธีนั้นเนี่ยมันเป็นของวิปัสสนาหรือเป็นของใช้ได้หรือผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเอาไหนไหนคุณไปทำมาผมถามมาที่คุณเห็นนะมันจริงหรือมันปลอม ลมปราณที่คุณเห็นนะคุณเชื่อว่าเป็นของจริงหรือเข้าใจว่าเป็นของไม่มีจริงเป็นมโนโภาพเขาก็บอกว่าต้องจริงที่ไม่จริงก็จะรักษาโลกได้ไงนะเขาจะทําให้มันเกิด้ปริญญาอะไรจะได้ไงแต่ไอ้ตรงนี้นะ่ะผมไม่ได้ไปอธิบายแยกให้เขาฟังแต่นี่ผมจะอธิบายเพิ่มเพิ่มนิดนึงว่าพอเพียงแต่พูดเพื่อจะดึงเข้าเรื่องแต่นั้นเองให้เขาตอบเพื่อดึงเข้าเรื่องความจริงแล้วเนี่ยไอ้เวลาที่เราทําและเห็นอะไรเนี่ย นี่ผมพูดถึงไม่ใช่เฉพาะอกรณีเดินลมบราณแม้แต่วิธีอย่างอื่นก็ตามนะจริงหรือไม่จริงน่ะอารมณ์เนี่ยบางทีมันเป็นมโนภาพก็มีเป็นจริงก็มีแต่สิ่งที่จริงและก็สิ่งที่มันมีพลังจากอารมณ์จริงไม่จริงคือพลังจิตถูกไหมยอย่างเช่นเราสร้างพลังจิตกําหนดว่าเราหายหายหายทั้งทั้งจริงลุกไม่ขยับตัวยังไม่ได้เนี่ยนะ หายหายหายแล้วพยายามตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นตัวเองเดินปลออทํ า, าท น, น, ทนู่นทํานี่ได้อย่างกะระจัดกรฉจิงหน้าตาสดชื่นแจ่มใสนึกถึงอยู่เรื่อยเป็นไปนจริงหรือเปล่าสามเป็นจริงไหมไม่จริงแต่ไม่จริงแล้วไปนึกทําไมได้อะไรขึ้นมาใจเรามันได้กําลังเกิดพลังเนี้ยมั้ยมันเป็นการสร้างความสำเร็จด้วยวิธีการทางจิตจึงว่าหลงว่าหลังก็กยอมรับนะี่ยตัวจิตจริง แต่ว่าอาศัยสิ่งไม่จริงมาเป็นเครื่องชุดเครื่องช่วยทีนี้ไอ้ที่จริงก็ได้จริงก็มีอต่ผมถามว่าจริงไม่จริงเนี่ยเขาคงจะกลัวเสียวิชาเขาอะไรต้องบอกว่าจริงไว้ก่อนแต่ว่าให้จริงๆแล้วมันมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงแม้คนทําอย่างวิธีที่เขาหลงสายมันก็มีจริงไม่จริงมันแทรกกันแต่ว่าโดยหลักแล้วเขาไม่ต้องการไอ้ที่ไม่จริงเขามีมาตรการวัดว่าอะไรมันจริงไม่จริงยังไงนะ เอาละถ้าเราพูดเขาว่ามันเป็นจริงถามว่าในตัวเราเนี่ยอะไรที่เป็นจริงใช้เป็นอารมณ์วิปัสนาได้หรือไม่ตาเราเห็นรูปจริงหรือไม่จริงการเห็นจริงไม่จริงจริงความจริงอย่างนี้เรารู้ว่าเราเห็นตาไม่บอดมันมีความจริงนี้คนตาบอด เอาการเห็นไปทำอารมณ์วิปัสนาไปเจริญวิปัสนาต่างตาได้ไหมไม่ได้ฉันใดกับฉันนั้นในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรอีกทั้งเยอะทั้งดีทั้งไม่ดีคนไม่เป็นโลกกเพาะจะเจริญวิปัสนาด้วยเวทนาทุกเวทนาจากความปวดโลกกเพาะได้ไหมนะนั้นถ้าจะให้ได้ต้องต้องพยายามรำรวยเป็นโลกกรเพระแต่ว่าไอ้นี่ไม่ได้แปลว่าท่านไปสอนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้บางอย่างสอนให้ทําให้เห็นขั้นหนึ่งก่อน แล้วก็เอาวิปัสนาไปต่อนะแต่บางอย่างเนี่ยไม่ได้สอนให้ทาแล้วนอกจากไม่สอนให้ทาแล้วบางทีสอนให้ให้แกรายการแก้ก็คือทำไปแล้วมันแก้อย่างคนไปโลกะเพอแล้วทำพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหายทั้งโลกะเพอหายทั้งกิเลส เ, เขาเรียกว่าโรโรอชีมันมีสมารถ ส, สีอยู่หลายพวกชีวิตก็หายกิเลสก็หายพร้อมกับความตายเรียกว่าชีวิตตื้สมาธถสีส พวกนี้เขาเรียกว่าโรคะสมาสีสีนะคือเอาโรคนั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสนาพอสาเร็จมันเลยหายทั้งโรคแล้วก็หายทั้งกิเลสสาเร็จทั้งรักษาโรคและสาเร็จทั้งรักษากิเลสคนทำวิปัสนาแล้วมันได้สองอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเยอะแยะไปครับถูกไหมฮนะผมก็กได้หลายท่านได้เมื่อก่อนเคยปวดหัว บางคนใช่ไหมเป็นโรคเครียดโรคปวดหัวเป็นโรคกระเพาะก็มีหายไอทีไปทำเนี่ยครับมันเลยกินเหลืหายโรค ก, ก็หายหายไปตามขั้นพอดีพอดีกันทีนี้ในตัวเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความอย่างรู้อะไรด้วยวิธีทางใดเกี่ยวกับตัวเราอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและมันเป็นของจริงเราก็เอา สิ่งนั้นแหละมาทำเป็นวิปัสนาวิปัสสนาก็เกิดได้ด้วยสิ่งนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้นะเราจะไปอ้างกับคนที่เขาไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้ใช่ไหมดันั้นใครที่รู้ที่เห็นก็เอาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้แต่ว่าบางวิธีเนี่ยต้องทำให้รู้ให้เห็นซะก่อนแล้วจึงเอามาต่อวิปัสนาเช่น เราเอาชานมาต่อยปรสสนาได้ไมะผมบอกเอาต่อไปนี้ให้เอาชานที่หนึ่งมาต่อยปรินานะขอให้ทำพร้อมกันต่อเอามาต่อได้ไหมคนพูดจะต่อไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ชานแต่ถ้าบอกว่าเอาทําชานให้เกิดเสีก่อนแล้วต่อยปรสนาต่อได้ใช่ไหมลนะ่ะและควรต่ออย่ามาพูดว่าเสียเวลามันไม่ใช่เสียเวลา มันช่วยล่นระยะเวลาแล้วก็แก้หรือบําบัดไอ้ขวางหนามที่คนไม่ได้ฌานมีเมื่อได้ฌานแล้วมันไม่มีมันก็ช่วยเป็นบาตได้หลายรูปแบบก็ไปต่อวิปัสสนาได้สะดวกอย่างนี้ทีนี้ไอ้บางวิธีเนี่ยก็ทําแล้วเขาค่อยๆลงลึกแล้วไปเห็นอะไรลึกมันก็เอามาต่อได้หมดแม้เราทําวิธีอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นเราจะทําแบบ ได้ก็ได้ไม่ต้องเอ่ยนะเราทําทีแรกนะเรารู้จักเรื่องราวหรือปรากฏการรูปนามในตัวเองอย่างมากมายเท่ากับเราทําได้แล้วหนึ่งเดือนหรือไม่ทําแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะรู้จักปรากฏการในตัวของเราได้ละเอียดลึกซึ้งและมากอย่างกว่าเมื่อเราทําวันแรกถูกไหมแล้วผมถามว่าไอ้วันแรกเรา มีทุนมาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นวันที่สามสิบเราได้ทุนมากขึ้นเราก็เอามาลงทุนทำวิปัสนาได้มากขึ้นผิดั้มไม่ผิดถูกแล้วควรแล้วและควรจะต้องเป็นอย่างนี้เอาละคราวนี้ผมเล่าเรื่องนี้นะเพื่อที่จะย้อนกลับมาเทียบกับคนที่ได้อภินญานะฮะ ติ้งต่างว่าคนที่นั่งอยู่นี่มีอยู่สองแถบสองสิบสิีงหนึ่งเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมและการตายการเกิดอย่างสนิทใจในขั้นแม้ว่าจะยังไม่ได้จากวิปัสสนานะอีกแทบหนึ่งไม่เอี่ยมเลยครับเรียกว่าแกะกล่องออกมาจาก เพาสมัยใหม่เป๊บเลยไม่กระดิกไม่เคยรู้ไม่เคยเชื่อคนสองกลุ่มเนี่ยถ้าเราอธิบายเรื่องอนัตตาเรื่องวิปัสสนาเรื่องละยิเลสและให้สมาธานรับเอารวมทั้งเริ่มต้นอารัธิวิปัสสนาพวกไหนทำยากกว่ากันพวกไหนทำอย่างโปรงใจกว่ากันเราก็ตอบได้มันไม่ไม่เท่ากัน นี่ตรงนี้นะชั้นใดก็ฉชั้นนั้นคนที่ได้อภินยาสามนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเนี่ยความมั่นใจว่าตายแล้วเกิดมีถ้าคนนั้นได้ฟังมาว่าสงสารเนี่ยเป็นภัยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโยนไม้ขึ้นไปบนอากาศเอาตรงนั้นหลงบ้างตรงนี้ลงบ้างชั้นใดก็ฉชั้นนั้นสงสารเนี่ยน่ากลัวบางครั้งเราก็เกิดเป็น ได้หลาชฉานบางครั้งก็ลงนรกบางครั้งก็เป็นเทวดาแล้วก็ระลึกเห็นเป็นล่วงหน้าอย่างนี้แล้วก็เรารู้อยู่ว่าทางออกมีคือวิปัสสนาอีกคนนึงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยได้แต่เชื่ออย่างเราๆนี่นะแล้วไปทำวิปัสสนาถามว่าต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันกลิปเลยครับรวมทั้งไอความโน้มไปของจิตก็ไม่เท่ากัน และที่มาของนามลูกก็ไม่เท่ากันเช่นสมมติว่าถ้าคนระลึกชาติก่อนได้เนี่ยเวลากำหนดที่เหตุอดีตระลึกชาติหน้าได้กำหนดผลอนาคตรหรือเหตุอนาคตที่สัมพันธ์กับปัจจุบันมันทำได้อย่างทันทีเลยครับเพียงแต่เอาความเป็นสัตว์ออกเสนะียทันั้น ใช่ไหมแล้วก็จับลูกจับน้ำมันเห็นเลยมันเรียกว่าทุ่นเวลาไปเยอะทุ่นเวลากว่าเราเรานี่ยเยอะกําลังใจก็ผิดกันอุปกรณ์ของวิปัสสนาก็ผิดกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้วิญญาถ้าไม่ไปติดทิฏฐิซะก่อนถูกทิฏฐิกั้นขวางซะก่อนถูกมานะกั้นขวางซะก่อนเอามาใช้อย่างนี้นะ เพื <ME> ่อกูลอย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือเหมือนอย่างพระที่ท่านมาในสายของสมถะชั้นใดก็ชั้นนั่นเหมือนรับมาอยากได้ไหมจะไปขอใครดีก็ต้องทาเอาเองเอาทีนี้ถ้าทำไม่ได้ทำไงก็เรื่องเรื่องคำสานเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่า สิบเบีย้ยใกล้ใกล้มือต้องหยิบก่อนนะฮะทำไปตามอย่างที่เราทําได้ก่อนเห็นวะอาจารย์หาได้อย่างไรก่อนก็ต้องทําอย่างนั้นเราจะไปทํานอกอาจารย์สอนก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้จะทําหรือจะไปนึกว่าจะไปทําฌานวิญญาก่อนตั้งเกณฑ์เลยทําให้ได้วิญญาจะไม่ต่อวิปัสสนาไปเลยก่อนเรา พิจารณาอุปนิสัยบรารมีแล้วเราแน่ใจแล้วว่าแม่จาฌานที่หนึ่งเราก็จ ะ, จ ะ, จะต้องทำได้มันก็ไม่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเลยถึงต้องดูไปทุกสิ่งทุกอย่างไปตามแนวโน้มตามเบาแสที่มันเปนเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำไปก่อนนี่คือหลักที่พูดโดยหลักสกมบูรณ์อันหนึ่งแล่พูดเข้ามาหาแต่ละคนก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่ว่าเมื่อเราเข้าใจหลักน้าบูนเนี่ยใครก็ทำได้เราก็ต้องยอมรับเราไม่เอาตัวเราไปใช้กับเขาที่เขาทำได้ค่อนข้างจะเต็มหลักมากกว่าเราเอาละนะฮะนี่คือส่วนที่ผมกล่าวในทางเปรียบเทียบอ่าสิ่งที่อยากจะเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความรู้อย่างอาพิญยาเนี่ย มันได้โดยอารมณ์เท่านั้นแต่ความรู้อย่างปัจจยะปริคหายานเนี่ยมันได้โดยอารมณ์เป็นหลักแล้วก็ทำให้ได้โดยไนคำว่าไนกับอารมณ์เป็นคำสำคัญที่พูดบ่อยก็จริงแต่ต้องใช้บ่อยหมายความว่า คนได้ปัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่เท่าที่เหมือนกับตาเห็นเหตุและผลมันแค่เท่าที่ตาเห็นนะอันนี้เขาเรียกได้โดยอารมณ์แต่คนที่ทำปฏิญปลิขยาณได้เนี่ยเหมือนจับหลักได้เรียนหลักทำหลักนั้นหลักใหญ่ให้เป็นอารมณ์และข้อปลีกย่อยเนี่ยจะรู้โดยไหนได้โดยไหนเช่นว่า เห็นอยู่กับปัจจุบันแต่ได้เนื่องจากว่าปัจจุบันที่ตัวเองอย่างรู้เนี่ยมันเป็นส่วนหลักจึงได้ในว่าแม้อดีตก็เป็นอย่างนี้แหละแม้อนาคตก็เป็นอย่างนี้แหละแม้คนอื่นก็เป็นอย่างเรานั่นแหละนี่เขาเรียกว่าจับหลักได้ก็อันอันเรียกว่าเข้าใจสิ่งอื่นโดยใน กี่ชาติก็ไม่ก็พูดได้รับรองได้แม้ระลึกไม่ได้ตัาชาตินะระลึกชาติไม่ได้ทั้งชาติแต่ก็รับรองได้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไปจากนี้กับใครก็เป็นอย่างนี้ไม่ผิดไปจากนี้นี่คือจับหลักได้แล้วในมันหมายอย่างเพราะฉะนั้นยานสองเนี่ยพิเศษกว่าอะพิญญากรงนี้ด้วย จับหลักได้และได้ในทั้งหมดแต่อภิญยาเนี่ยไม่ได้รู้โดยจับหลักได้เลยไม่ได้เราพลิกไปดูอีกหน้าที่กล่าวว่านี่พูดถึงความหมดจดนะละความเห็นผิดที่ถือเอาโดยเอาเหตุปัดัยที่ผิดว่าอภิภาพนี้บรมตาแมนเป็นผู้สร้างด้วยเหตุว่าเทพเจ้าก็เป็นนามรูปที่เกิด แต่เหตปุปัจจัยเท่นกับนามรูปท yep. no> ั้งปวงนี่คือจับหลักได้แล้วมันเห็นความเสมอภาคกันในทางหลักก็ข้อหนึ่งนะปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดโดยไม่มีเหตุปฏิเสธตรงนี้เพราะยานนี้รู้เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลและข้อสองไม่ถือเอาเหตุผิด เพราะคนมีเหตุผลเนี่ยการให้เหตุผลเนี่ยอย่างที่เราพูดมันมีสองอย่างคือให้เหตุผลอย่างไม่สมเหตุสมผลกับคนไม่หนักในเหตุผลคือไม่เอาเหตุผลเอาอารมณ์นะคนที่เอาแต่อารมณ์กับคนที่เอาเหตุผลแต่ให้เหตุผลกัางๆกูปูเหตุผลไม่สมเหตุสมผลบางคนอาจจะเป็นเอามากเลยคือให้เหตุผลเกื่ื่นเขินเรื่อนี้นะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่า ไอ้ตื่นก็อย่างหนึ่งแต่มันอ้างเหตุผลผิดอะ่ะคนได้ญาณสองแล้วได้เหตุผลที่เหมาะสมด้วยคนที่เขากล่าวว่าชีวิตเราเป็นผลเทพเจ้าเป็นเหตุเพราะเทพเจ้ า, าสร้างบันดาลจึงมีเราขึ้นมาเขาพูดเป็นเหตุเป็นผลไหมเขาให้เหตุผลใช่ไหมละ่ะ แต่ไม่สมเหตุสมผลทีนี้เรามานึกถึงว่าอย่างเราเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจริงๆเราเนี่ยนะเราก็พยายามจะนึกว่าเพราะอะไรเหมือนกันทุกคนนะคือลักษณะจะหาเยนะผลมันมีแต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะและเรานึกด้วยกิเลสเนี่ยมันมักจะไม่สมเหตุสมผลความคิดเรา ยิ่งกิเลสหนาอัดตาแรงยิ่งไม่สมเหตุสมผลมากต่นนั้นใช่ไม่ใช่คนที่เราเห็นในสังคมเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราเองเนี่ยเวลามันเกิดไอ้ ก, กิเลสขึ้นมาโลภะโทสะเนี่ยเวลานึกเพื่อจะเอาเหตุผลแล้วก็มักจะไม่สมเหตุสมผลอะไรที่พอเป็นประโยชน์แก่อัดตังตัวก็จะเห็นเป็นถูกไว้ก่อนอะไรที่ตัวเสียประโยชน์ก็จะเห็นเป็นผิดไว้ก่อนมันเหมือนเหมือนกันทำงา น, นเลย นี่เป็นหลักกลางอันหนึ่งนะแล้วเวลาที่เราจะแก้ตัวเองจับหลักกลางนี้ได้ก็ต้องต้องควบคุมกิเลสไว้ก่อนแล้วก็นึกใหม่ยิ่งใจเราสะอาดเป็นกุศลละเอียดละเมียดเนี่ยมันยิ่งนึกเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลเหมาะเจาะดีกว่ากุศ ล, ลจิตชั้นหยาบแล้วคนที่ทำภาวนาเนี่ยจิตมันละเอียดมาก แมสิ่งไอ้สิ่งที่เราเห็นเป็นเหตุเป็นผลจับเหตุจับผลได้ในระหว่างปฏิบัติเนี่ยบางทีมันขัดแย้งกับความคิดเดิมของเราอย่างจังๆเลยส่วนมากก็ส่วนน้อยด้วยครับส่วนน้อยหรือส่วนมากส่วนมากยิ่งลงลึกเท่าไหร่ยิ่งเห็นเป็นส่วนมากเท่านั้นโอ้สมควรแล้วเช่นว่าก่อนไปปฏิบัติเนี่ยจ้องจะฆ่าไอ้คนก็ยืมหนี้แล้วไม่ยอมใช้ ตั้งหลายโหดแล้วมันก็ฆ่าแต้วยไปเรื่อยด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วก็เข้ากรรมฐ า, านแล้วยังไม่วางไม่ยอมวางใจนะไม่ยอมล้มเลิกคือพูดไง่าไม่เลิกตั้งใจที่จะฆ่าด้วยคิดว่าไอ้คิดฆ่าเนี่ยมันยังน้อยไปยังพูดงี้ีิยังน้อยไปแต่มันไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้แค้นให้ยิ่งกว่านี้แล้วมันก็เลยไม่รู้จะทําอะไรอีกไอ้บางคนบอกว่าฆ่ามันยังน้อยไปต้องฆ่าพ่อฆ่า ครอบครัวมันด้วยอย่างนั้นก็มีทางอื่นที่ยิ่งกว่า น, นะะทีนี้พอมาทำกรรมฐานปั๊บเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆเลยครับไม่ใช่เรื่องเล่ายกเมฆแต่โดยเรื่องนี้นะทํทำไมความคิดมันกลับตาลปัดเช่นคิดว่าเออสมควรแล้วและบางคนถึงคิดขอบคุณนะ ขอบพระเดชพระคุณว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้กับเราไ ม, ไม่ไม่วิ่งเข้าวัดไม่ได้มาทำอย่างนี้ยังขอบคุณคือถามว่าเขาแกล้งขอบคุณนะเปล่าแกล้งนึกขอบคุณไม่แกล้งมาเล่าให้ฟังให้เราฟังเล่นๆนะเปล่าไม่ได้แกล้งเขานึกจริงๆส่วนเขาจะไปทำการขอบคุณได้แค่ไหนไม่ได้ตามไปถามก็อีกนะ บาคนก็ไในนึกแล้วไม่กล้าไปขอบคุณเดี๋ยวมันได้ใจบอกเออไม่งั้นเอาให้เป็นอหรหันเลยทีนี้แต่มจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนเราเนี่ยพอมันดีขึ้นมาเนี่ยคนเราไปนึกว่าพอดีแล้วมันจะเสียเสียเปรียบถ้าดีจริงๆแล้วมไม่เสียเปรียบนะี่ยคนเช่อชั่วลงมาเจออย่างนี้มันก็ก ง, งงๆเหมือนกันแหละคิดไม่ถึงเดี๋ยวทําไปทํามาเลยมาเอาเงินมาคืนอะอย่างบางรายมีมานล้วนี่ว่ามีพระเล่าที่อื่นนะคนละลายกัแกที่นี่ มันกลับตาลปัดไปจากที่เราคิดสารพัดเรื่องเลยครับจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คนชั่วก็มีเหตุผลคนดีในทางปฏิบัติก็มีเพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรว่าท่านนายพระพุทธเจ้าผออย่างนี้อย่างที่เราพูดกันไม่ไหนะเราไม่เห็นด้วยเราก็ใจไม่ได้บางเรื่องเนี้ย ไม่ยอมเข้าใจมาจนแบบนี้ในเรื่องสันโดดนี้มันทุผมก็คุผ้ผมก็เห็นใจรอย่างที่เหมือนกันสันโดษมัมนดีตรงไหนนะคนเข้าใจไม่ได้หรือบอกว่าที่ไหนรักที่นั่นมีทุกความทุกเปิด แ, แต่ความรักคนก็เสียมาจนไม่ยอมมาฟแบบังธรรมะอีกแล้วที่มาสอนอย่างนี้แม้เหมือนก็ไปสอนเนี่ยก็าดัดแล้ว ห, หวังเขาก็ไปใจายส่งไปนู่แต่และคัดนอาา่างที่จะคิดเข้าใจ ไ, ไหมในเรื่อ ง, งมุมยิงต่างๆเนี่ยปฏิปักษ์มั้นมันอธิบายได้อั่างนเรื่อผลที่จากแจ ง, ง, ท, ท, ท, งนนทั้งเหตุผลที่เจ้าให้และเหตุผลที่เราคิดไว้กับคิตของเรานะควรควรจะเป็นอย่างนั้นคนรหรือไม่ผมมาพูดถึง อนที่บอกว่าละความลังเลสงสัยเมื่อกางขาชั้นกลางเสียได้น้ํา ง, งนี่คือเป็นขีเละปฏิักของอย่างนี้อาทุกอ่างนี่ยบาีม้เลยตงางเดียวกันแต่ว่ามันควระรดับกันมันก็เป็นปริปัปฏิ ป, ฏ ป, ฏปักเป็นทันทันเป็นทันทันชาท่านก็ปฏิเจธปฏิเสธปฏิปักของกวนาุชเป็นทันันไว้ เดีวเราไปดูตัว้ความสงสัยเนี่ยความทมีฐาทันทันต้นทันกลางทันสูงอ่านี้ให้จบแล้วงจที่ายต่อไปเป็นผู้ไการขาววิจารณ์วิสุทธิ์ือหมดจดจากความสงสัยในสางขารวัตรเป็นผู้ได้ความบุญใจได้ดีที่สุในพระศาสนาในสติแน่นอนได้ชิ่อะไรก็ต้องได้ผมมีอะไรอีกว่านีคือเรื่อง การเนี่ยว่าตายเกิดเรื่องวัดดาสามเนี่ยถ้าขันรุนแรงเลยเนี่ยเขเรีรยกว่าเป็นความถิงตรงใจเลยนะปะักใจเลยว่าไม่เป็นอย่างที่ความถิงเเทียบพอเป็นวิชาที่ผิดแต่ว่าถ้าคนไหนพอคลายความปักใจได้แต่ยังมีความไม่ตรงใจเชื่อถ้าตรงใจไม่เชื่อเป็นอีกเรื่อ ไม่ปรงใจเชื่อยังไม่ได้กางขาเลยนะนะแต่โปรงในยานสองเนี่ยมันก็ปลงแค่ฐานนี้ฐานนามเาลยนะถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ปรงเด็ดครับนั่นผมถามจริงว่าเราเชื่อกำรเรชื่อตายเกิดปักใจสนิทไม่หวั่นไหวเลยสักวันหนึ่งเลยชื่ออย่าถามผมนะ ของยืนยานได้ว่าอยังถ้าได้ยานสองเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกหมักแน่นในช่วงหนึ่งในข้อเก่งของความเป็นแต่ทางค่ะนะแต่ทางแค่ไหนแต่ทาบไว้วันก็คุ้มอเรามั่นใจเลยตลอดชีวิตแต่ยังพวกเราเนี่ยครับมันมีคำพูดที่ผมพูดให้มันสาใจเขามันไปแทงใจดงประยุ่ค คนดีที่ต้องมาเสวยผลกรรมคนที่ทําดีอยู่เป็นปกติแล้วต้องมาประสบกับความซวยนะพูดแน้วตัดใจเความซวยเป็นคร่าวๆนี่แล้วก็ผมได้พูดกับสองคนแล้วเขาก็สวนมาอย่างแ้นไปแต่ง ใ, ใจเขาแต่เขาไม่กล้าพูดก่อนคือเขาทำความดีมาตลอดเนี่ยทั้งทานทั้งฝีลูกแตรทั้งไม่ปัญหามันเกิดขึ้นที่ เลาในสองลายเล่าไในผลึกผลเลิกก็แล้วกันแหละแต่ว่าไม่เล่าดีกว่ายาวนะเขาก็เล่าไปแล้วก็พูดในรถบางทีอื่นบางที่ที่เหมาะผมไม่ได้พูดเทาเรื่อจบเขาฟูเขายอมรับมาเขาดีแล้วผมก็หลุดไปคําว่าเรื่องนี้นะถ้าคนทําความดีและเป็นอย่างนี้ะธรรมะยาวหน้าไว้ไหน คุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเสร็จชื่อว่าเจานาแล้วผมเนี่ยเข้าว่าผมมันหลอกคนด้วยมาสอนเรื่องอย่างนี้เขาบอกเนี่ยฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ไม่กล้าพูดกลัวจะกระเทือนใจอาจารย์เดี๋ยวไม่ยอมคุย ด, ด้วยนะแล้วมันน่าคิดอย่างนั้นใช่ไหมไองเราเนี่ยเราทำบาปเนี่ยทำไมถึงต้องมาอย่างงี้ ผมเชื่อว่าที่นางๆอย่างนี้ต้องเจอคิดต้อคิดเคยเคยความรู้สึกกันทุกคนผมเองก็เคยและมีความบางครั้งเมันเกิดจะน้อยอกน้อยใจว่าเราเนี่ยคุ้มเอขนาดนี้แล้วทาไมลืมไปอย่างนี้ทําไมคนหนึ่ง น, นี่ผมพูดถึงบางตอนนะไม่ใช่ตอนนี้ทําไมลืมไปนะเกิดจะเลิกทําความดีไปนีะความดีอที่เราทำ มันก็ เ, เกิดความวันไแต่ถามว่าถ้าคนไปเห็นอย่างนี้นะเราสมมติต่งางสต่สมมติฐานถ้าเราเกิดไปมีอยางอย่างเห็นจริงอ๋อเราเป็นอย่างนี้เพราะเราได้ทาไว้บางทีมันก็ชาตินี้แต่คนมีอิเลสหนาเนี่ยแม้แต่ชาตินี้แม้แต่ทําหลักๆมันยังไม่รู้เลยยังไม่คินเลยแต่เรายังคนไปดา่าแล้วก็ด่าตอบไม่ลืมเราตัวเองไปดา่าทั้กหมด ไปยังงู อ, อย่า ง, งี้ยเราก่อนแขกอยางอยากมียังไม่เห็นไอ้กรรมที่ทําชาตินี่ยี่ลืมมันไม่ได้นึกนกมันก็นึกมันไม่ได้ลืมไปแบบจําไม่ได้ทีเดีย ว, แ, วแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งสัญญาในมุมที่เป็นธรรมานิยมันก็ไม่เห็นเอกจุดเชื่อมวันไปเหตุผลนึงแต่ทีนี้ถ้ากรณีเรามองข้ามไปถึงชาติบางก่อนได้จริงๆว่าเพราะเพราะเรา ไปทําอย่างนี้ไว้รับรองว่ามันหลุดความรู้สึกมันหลุดเหมือนอย่างระมาณระหวัติพระสมัยพุทาลเนี่ยหลายหลายหลายองค์นะบางองค์เนี่ยมันติดตรงนี้แล้วก็ทําวิปัสสนาไม่ได้สตีเป็นเป็นไอ้ปริโคนติดไปทาไมยังกลัวหลวงตัวหนักนีกเข้าใจไหมน้ำนองไว้ทําไป แสนนแล้วนะนได้อความสวย่ตรงนี้้มาช่วได้แสนหนึ่งแล้วทำอะไรยิ่งกว่านี้ที่รักษาถินทักษะในใจใจนะรักษารักษาอย่งต่างๆนี่นะไม่ต้งใจทาไม่แี่ใจ่ยพี่มีบางงมีากรรมไอวม่ทรรมามิดรูที่โหดแล้วอะไรแล้วะ แต่พอไปเห็นโอ้โหเราได้ทำไว้อย่างที่เราเรื่องโกงานโอดีเดรีมีปัญหาเรื่องนี้ก็อ้โหที่ เ, เ, เห็นเขแล้วน่าหงเล <S <S ผมตงหน้าตัวเองแต่ที่งจริงมันได้สมอย่างที่เราพูดนะไม่ได้ทำงไมาแชร์แต่โอ้เลยมีความสุขกับความสวยอะไม่ใช่พูดอะ่ะแต่ว่าพูดมีความสุขกับความสวยรวยยังเป็นสุข ไอ้สาใจนะที่เราพูดเนี่เราพูดสาใจแบบมันบางทีมันก็หมายถึงความน้อยอกน้อยใจมาตูสบายดูเองอะไรนี่นะนะและไปตรงนี้นท่านยจริงๆนะแต่นั่นกล้ายๆอย่างนั้นแต่ขอเราเนแค่พันธอ์ที่นะแต่คนไปเห็นเนี่ยพอให้หมดมือหมดย่างไงมันก็ชื่นมันก็ดีใจพระอะไรเพราะสิ่งที่ดูเองได้เห็นเฮ้ ถอนอัตตาพ้นจากความเป็นเราเลยว่ามันเป็นตัวของมันเองมันจะไปหาในที่ยดชาติที่สุขๆถ้ามันสุขอะรเป็นสุขแต่ว่าน้นตาลูดนจรเนี่ยพอออกมันเลยไปเลยนก็รู้ที่โดนดึกไ้ดู้วมันดำไปไม่เลือียมันเป็นสุขใน้ายอย่างี้เห็นเรื่องของตัวเองอย่างไม่ได้เป็นอัตตานยคือเป็นลมเป็นลนก่อ ที่ผว่าตรงนี้นะผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าในตำาราผมมัจริงผมก็ไม่รู้ว่าได้ได้พูดอะไรนพระสตอะไรอะไรางหรืออ่างใพูดนี้เลยเว่าเห็น<ม>ดโดยเป็นความสุขจากความเห็นไม่ได้ฟังตะวันตื่นดีกว่านี้คือพูดอย่างนี้นในชั้นเราแล้วมันรับมันก็อยู่นะ มันค่อยหวั่นไหวอยู่เลยเว่าผู้กรณ์จิตรเรายรอย่างไรแรง น, น, นะรัถ้าถว่าถ้ากิดได้เห็นผลของความดีละ่ะเป็นทุกข์นึเหรออาจารย์ที่ถามว่าเราทความด้วได้รับผลความนั่นเองแต่ไม่เห็นผลข้วความดีเป็นทุกข์หรืเป็นสุขตอบว่าเป็นสุข ค, คู่นะ สุขแต่ไม่ใช่สุขเนี่ยคุณผู้นี่แล้วต้องโสมันนะพระองค์เราเนี่ยนะเมื่อพิจารณาว่าต่างแต่บุญนี้เราได้ร anna, ักษาสิ่งบริสุทธ so ิ์บริบูรณ์มี้ไม่บกพรองก็เกิดผมนะอย่างนี้หรือเราได้ทําบางดีไว้เราได้พวกเกิดผมัน ความสมนัติในกุศลวิบากอย่างนี้ไม่เป็นปัจจัยเดิมเหมือนอย่างความสมนัตอย่างธรรมดาโลกกนัน้นเกิดความสุขถ้าเกิดความทุกข์เพราะมีความสุขแต่ถามว่อยากให้ลูกต่อไปจึือไม่คนอยากให้ลูกต่อต่อทำไมควรอยากให้ลูกต่อต่จึงก็ไม่ยถึงแปลว่าวากไม่อยากอย่างที่นล่นในรูปของทานขูนแต่ปัจจัย อย่างเอาเปรียบหรือย่างธรรมดาขอามรู้สึกนะบาคนไปเห็นนีมันเปมรู้สึกความหลุดมันหรุดจริงๆนะบางทีบอกว่าคำว่านาในคำพีนะมันก็จะไม่ถึงขั้นตแต่เราก็ใจรสชาติมันหรือรื่นเมาในความเมา แล้วมันไม่นะความรู้ึของเรแต่ีเมาดูในความสงสัยสามชั้นชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงชั้นสูงเนี่ยผมไม่ได้พูดไว้ไม่ได้พักคยจะเล่าต่อว่าสงสัยชั้นสูงตรงไหนเไหรสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานตรงน mm. mm ี้ผมกาต้องถามว่าท่านเคยสงสัยมเรื่องมผลาแน่ใจไ บอกว่าอย่างเราเนี่ยเอาป็ตตอแน่ขั้นตามๆได้แต่เอาขันของขุ่นมันยากหนือยนะอ่าเปื่อ น, นอเนราแล้วก็ใจี่พานติดตอนนี้เป็นนิพานแล้วก็ปักแน่อยูอย่นะนั่นมากลายใป็นตอนนี้ติดแต่แต่ผู้นิพานตามเกณฑ์ัาตรานขอิพานคืออะไรละอิเลสคืออะไรอย่างเงี้ยที่พ า, าวนาไว้อย่างอยากเลิ่มโด้ดีขึ้นเนี่ยเราแน<ม>่<ม>ใจ เอ็มรอยังก็คงต้องตอบมาอย่างวันนี้แม้แต่พระในสมัยพุทธกาลเช่นทำผู้ปาและขาีุลิภานทบมาถามว่าริภุญตุลิภานสุขมีเป็นสุขจริงหรือพราลิภุญตุเป็นสุขเป็นสุขนเวทนาหลวงมืีเวทนาพระสยามเป็นสุขยังไหทุกขาแต่เวทนาลงไหนนี่ถามกันมาแล้วแล้วก็ฟังทีพระพุทธเจ้าก็ลงแถลง พระอาอนนท์ให้ไปโทตอบพระพุทธเจ้าุกมีคนปฏิภาณพระพุทธเจ้ามไม่มีเวทนาถ้าเวทนาขาดจเนี่ยเรื่องสุขภนะูมิพระพุทธเจ้าก็บอกพระอาอนนท์ให้ไปชี้แจงว่าแ้วถามก็ราะผมใให้ชี้แจงอย่างนี้เพราะมันเป็นสุขภูมิเท่าสุขแต่ว่ามันน่าลนาละก็ไม่มีความทุกเรืร่องที่ดีก็พูดยากนะสำบคนที่ไม่ไม่ถือมือไม่เขียนไม่เอยงประตูวิมานพูดยาก แต่ก็พอพูดได้พอให้ตั้งรูปถามครับทด้เลยมีความสงสัยชั้นสูงมีความสงสัยชั้นต่ำอันนี้ถือเป็นตัวขวางมืขวางทําให้เราไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไม่ตื่นเตอย่างไม่กันตือรอรนะ เราดูในความสงสัยที่เรียกในนี้ว่ากลางขาขั้นต้นคือสงสัยในรูปสงสัยในธรรมสงสัยในพระสงฆ์แม้ก็าสงสัยในกีขาในหลักปฏิบัตนท่าถือสมาธิปัญญาแต่ที่ว่าสงสัยในปฏิบัติคืออ่านตอนต้องการปฏิบัตินะการบังคันั่นเอง หากคนสงสัยแล้วกระตือรือร้นขยันพุ่งเองไม่พุ่นเองไม่กระตือพระพุทธเจ้าตรัสในจยว่ า, า, ายยความสงสัยทำลายความเปียงความไม่สงสัย สมเสริมความเพี่ยนที่ผมคัดน้อความตอนหนึ่งเน่มดูมาสแสดงให้ฟัาสูตนั้นที่ว่าเกจโตมีลักษุเเโตมีลักษณะว่าตาปูก ร, รึงใจกรึตใจไม่ให้ขยับไปเรื่อนไปเรื่อยความเพลียนอันใดอันหนึ่งคาดว่าผิกสูตในธรรมวินัยนี้เพราะว่ า, าส่ว น, ห น, นใหญ่ท่าน่อนนะครับ ส, สสัยเพือกแหงไม่โปรโ่งใสไม่เรื่องใสในภาษาบาลแล้วก็พระคุณธรรมสมนักศาิของผูผู้ที่สงยย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเอียงเคืองของี้เพื่อความประกอบหนึงน่งเพื่อความกระทันหันหนึงน่งเพื่อความเอียองอันหน่ง ความเพียรเนี่ยมั น, นมีหลายขั้นนะว่าใความเพียรบงคนคเพียรแต่ว่าเพียรไม่ให้ถอนเงอนเงินแล้วไม่ถึงไมถึงจุดพังมาก็าเป็นบัดใจยื่นที่ไปโดยหนาปอกเป็นความเพียรนั่นแหละีอะไรเร่ตัวตรงมนข้ามความรูใจตัดขาัดขานี่เป็นพลังของทางหยิง และถ้ายิ่งศรัทธานั้นเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจเกดผมทำถึงปุ่นในขั้นถึงปุ่นก็จะเป็นศรัทธาที่ค่อนข้างมั่นคงไม่ต้องนที่วายจริงไม่จริงศรัทธาแล้วก็จริงๆหมายว่าถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติในศรัทธาแล้วเข้าใจด้วยแต่เข้าใจแล้วไม่ศรัทธามันก็ไม่ลงศรัทธาแล้วไม่เข้าใจลงทาก็ทาได่ได้ ทำไม่ถูกก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความพร่องเรื่องต่าแต่ในทีนจะจะน่นี้นุ่งเขาศรัทธาและเข้าใจหล้วก็พก็จกับเงินลงมแล้วก็ทำอย่างต่ อ, อเนื่องไปตามกาลังของศรทธามีเป็นขั้นต้นแต่อันนี้ขั้นกลางคือความสงสัยที่เป็นปฏิปัก์โดยโตรงต่อภอวานาอย่างนี้ ก็ได้แค่สงสัยเอวัลั่าชาติก่อนชาตินี้แหะทีนี้มันมีความเป็เด็กเป็นผมอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าการเชื่อเรื่องชาตนี้ชาติหน้าที่สมบูรณ์เนี่ยต้องเชื่ออย่างท้แท้เป็นกระแสของเหตุอ่าผมมองแค่ในความว่าอย่างัวหลักที่เขาศึกษาเรื่องชาตนี้นานเขาสนใจว่าตายแล้วเกิดจริง แค่นั้นเนงนแต่ว่า ท, ทํางถไปเกิดได้ไปเกิดไหม่ไือเกิดไปเกิดพ ไ, ไหนก็ไแดบบ้เหเพราะปัจจัยอ ะ, อะไรจงเกิดแล้วทำไงถึงไปเกิดจร้อย่างนี้นะไม่ใช่จุดสนใจในเชิงเต่ผลปรอยากรู้ผลว่าตายแเกิดจริงคุ้นห้าอแต่ว่ากา น, นี้นะเขาผู้เหตผลจาก ถ้ารู้ความตายตามเกิดในรูปของเหตุผลเหตุผลเป็นตัวนำไปทุกที่สรุปได้อย่างนี้ว่าในการรู้ชาตินี้ชาติหน้าเราทํานนำไปสู่ความม่สสัยรู้จากการจารัดเหตุผลจักรวาลจักผลก่อนอยู่นะมาในฐายหน้ารือที่ในตถานะหน่หามุแล้วก็ ร, รูก้ ก, กระแสเหตุผลนียได้พ แต่ก็ลุกเลยท่านถึงเหตุหผลที่มันข้ามพวกข้ามากันและเหตุผลนี้ทำมันเป็นตัวบอกว่าความปรากฏของผลความปรากฏของเหตุที่เกี่ยวของกันมันมีหลักอย่างไรและเมื่อบุคคลตายและต้องไปเกิดต่อตำแหนางเหตุอยไรก็เลยรู้ไปถึงอันนี้ตั้งมาในเชิงเหตุผลดังนั้น ความไม่สงสัยในความตายเกิดต่อมาที่ไม่สงสัยในเหตุที่เขาีเกี่ยวข้องกับความตายเกิดในทุกขฆาในสังสารวัฏนี้ด้วยในทุกๆคนอย่างนี้ดูอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนคุณกอต้องถามคำถาพวกเราั้ีเองดีว่าเราเคยสงสัยไหมว่านี้เราได้เคยเกิด มาแล้วจริงเคยมีความคิดอย่างนี้สงสัยอย่างนี้มาหือท้าแล้วจะเกิดจริงเยหรือหรือไ ม, ม่ผมถามว่าเธยมีไม่ได้ถามความเชื่อใหญ่คหรืมแลวม็าหาอะไรยังไม่ได้มีมเป็นอะไรอย่างนี้หรือเราได้สารที่เร า, ามาจากไห น, นเคยสงสัยใช่ไมทั้งใน ส่วนดาบและดุลนี่เคยคิดเคยตั้งขาวแต่ถามว่าเราอยากรู้ไหมใครยกมือพร้อมรื้องเะนองไงอยากรู้ไนงะอยากรู้แต่ถามว่าที่เราอยากรู้เนะี่ยเราคิดว่าเราอยากรู้ได้ด้วยวิธีใดที่เราอยากรู้ผมก็ตอบแทนได้ว่าเราอยากรู้ด้วยวิธีไงไงให้คนอื่นยังไม่เจอร่างหนากระนอง การที่แล้วมัเคยเกิดเป็นอะไรครับไปสำนักเจ้าเขาตรงก็งมีคถามการที่แล้วเกิดเป็นอะไรมก็เลยได้รับคำตอบมาจริงบ้างหรือจริงบ้างแล้วเกลายเป็นเหืองทางผมู่นะมัลำดับญาตนะหูกมให้เกิดกความเพิดเพลิเรานี่เป็นเคยเป็นญาติดาวองค น, นะนี้นะนี่งค์นั้นท่อาจจะไปลงไหนได้นะท ห, หลงเกิดความประยิูกเรล่ เลยเรไปเลยมเใจดีผมนใจศึกษาเรื่องนี้มาในงวิชาการนแล้วก็ดูความได้ของาเรื่องของอางแต่ชางแ้เาป็นยเี้เราก็อ่านมได้เลยที่จะเข้าใีเาับตรงนี้ก่นี้ แล้วก็พอเชื่อทีทีบางทีก็ตามอู่าเราเคยเนะในนี้จริงรคมงจริงจริบางไม่จงมมังจริงที่ีรู้ที่มันจระแล้วก็มีผลออกงหนที่ไหนได้อย่างจริงจริงคือการรู้วิธีรู้ทีเปนคาราษาออนี้ ฉะนั้นก็ชิงค่างถึงนคำพูดของพวก โ, โกยู่ที่พูดกันพูกแกันมีไม่ไ น, น้องเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องชาติไม่เคยคิด เ, เชื่ อ, อมเยื่อโยมไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอมาทำนะเอาความเชื่อมาจากน่าสงแารว่าหลัง แ, แท้ๆโแหแรงไม่เคยคิดมาก่อนเลย แต่พอปฏิบัติแล้วไปเอาความเชือ่อ น, น, น, นมานเทยงนะอาจารย์้นไมาสอนเ่งปรีอาเอสอนจะเป็นไดังเอาความเชื่อมานาแลกนะหนุนะห่น้นเป็นบ้าเลยเนไปทำรูเจอเป็นสูตนตากายเป็นสตแต่ไม่ใช่สูตราอย่างเป็นภาคโอแกเ์คอมาบูดนะเป็นูเป็นาอย่างนิบายจับเด็ดจับหน้าที่รูปปนะ้นเฉพา